ตอนคิดนอกกรอบวันที่11ตุลาคม2557ก็กลาบนมห ก, กรรพระคุณเจ้าสามเดืนคุณไม่ชีกัรละยมิตรทุกคนนะก็ผ่านไปเร็วมากนะสามเดือนการเข้าบรรษาจริงๆแล้วคนอยู่ที่ศูนย์นี่เราคุ้นเคยละเข้าบรรษากับไม่เข้าพรรษามีค่าเท่ากันเพราะปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วแต่การเข้าบรรษานั้นนะมัน ที่มาที่ไปนะก็เป็นช่วงเข้าพรรษาปกติมันเป็นหน้าฤดทาาูทํานาพระพุทธองค์ก็อยากให้พระสงฆ์จาริกไปไปรบกวนชาวบ้านไปเดินผ่านที่นาเขาก็ถือโอกาสนี้เนี่ยมาเข้าพรรษาและจะได้ม่งงั่นบําเพ็ญเปลี่ยนแต่ของพวกเราเนี่ยนงงั่นอยู่แล้วไม่เข้าพรรษาหรือเข้าพรรษาก็มีค่าเท่ากันที่ศูนย์เนี่ยยี่สิบกว่าปีที่เราอยู่ที่นี่ คิดหรือเปล่าว่าต้องทําแบบนี้ไม่เคยคิดมันทําเองเนาะพราะถูพอ่อปูทําเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทำมาหากินไม่ใช่ทํามาหาขายทําอยู่ทํากินทําทานทําเพราะทำตอนนั้นเราไม่ใช่เกษตรก ร, กรมาจากอเมริกา ใ, ใหม่เราคิดว่าเราเลิกหาเงินแล้วเราเลิกไปเล่นเกมได้เสียแล้วทีนี้เราต้องดํารงอยู่เราต้องมีปัจจัยสี่ นะก็จับงานการเกษตรเพราะปัจจัยสี่เนี่ยมาจากภาคเกษตรทั้งหมดไม่ว่าที่อยู่อาศัยตั้งแต่โบราณเขาใช้ไม้ทําที่อยู่อาศัยนะไม้ก็ามาจากภาคเกษตรจากธรรมชาติขึ้นนุ่หม่มไม่ว่าจะปลูกไฟนะหรือหนอนไหมอะไรพวกนี้ก็มาจากภาคเกษตร ยารักษาโรคสมัยโบราณไม่มียาวิทยาศาสตร์นะมีสมุนไพรก็มาจากภาคเกษตรอาหารก็มาจากภาคเกษตรก็เลยจับงานเกษตรก่อนนะทำเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขายทำอยู่ทํากินทำทาลใครบอกให้ทําอย่างนั้นหนังสือเล่มไหนบอกให้เราทานั้นไม่มีมันออกมาจากความรู้สึกเราก็ทํา ระหว่างที่ทําแล้วนี่ก็มีนักวิชาการการเกษตรก็ไม่แนะนําว่าเออใส่ปุ๋ยยี่ห้อนั้นใส่ยาฉีกข้างมแมลงยี่ห้อนั้นแล้วก็ฟังพวกคุณที่เคยทําตามเพราะมันไม่ได้ทําด้วยความอยากถ้าเราทําเกษตรเพื่อธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็กลัวว่าเราลงทุนไปมันจะไม่คุ้มทุนเห็นไหมออผลผิดมันจะไม่สวยไม่เคยทําเลยนะเพราะเราไม่มีความรู้สึกว่าต้องให้มันดีเลยเลื่อย นะเราปลูกก็ปลูกทําำกอทํานะทําไปด้วยเราก็เรียนรู้ไปด้วยเราก็ปลูกพืชยืนต้นก่อ น, อนปลูกปลูกปลูกปลูกนะแล้วปลูกพืชระดับกลางเช่นกล้วยมะละกอเพราะพวกคุมาใหม่ๆที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะแล้วก็มาปุ๊บหมรกปลูกมะละกอก่อนปลูกพริกปลูกมะนาว นะตรงนี้อยู่ริมเขื่อนเขาจับปลาแก้วตัวเล็กๆมาโลาเคล้วก็เอามาให้คุณยายเขาทำปลาเพราะว่ามันเป็นอาหารหลักของคนมิสานตอนนั้นชาวบ้านเขาก็บอกมาซื้อมะละกอหรอกไม่ได้ซื้อหรอกเราก็แบ่งกันไปกินนะก็บอกเอาก้ามะละกอให้เขาไปปลูกด้วยสังเกตในตรง น, นี้กเกษตรกรเนี่ยคอยยาวรอซื้อ ลดตลาดมันพิ ก, กับจริงๆแล้วนี่อาหารการกินมันมาจากภาคเกษตรแต่เกษตรกรรอซื้ออาหารกับพ่อค้าคนกลางพรอคูทำตรงนั้นห้าปีเราทำเพื่ออะไรทำเกษตรตรงนั้นเพื่อสร้างคนไม่ใช่ปลูกมะม่วงเพื่อเอาผลมะม่วง กครูเคยไปนะไปดูไปเดินอยู่ที่จังหวัดเขาประกวดผลผลิตการเกษตรม่วงเลยอะไรเนี่ยมาดูว่าม่วงใครสวยกว่ากันเขาปลูกเพื่อเอาผลม่วงเพื่อผลม่วงทีนี้มันก็มีกําไรขาดทุนถ้าลงทุนไปแล้วเมื่อกําไรปิดก็เอาเงินที่กําไรมาดํำรงชีวิตมันไปอ้องมม่วงไร่เนี่ยไม่ใส่ปุ๋ยไม่แต่เม็ดหนึ่งไม่ต้องให้น้ําไม่แต่หยดหนึ่งปลูกตามธรรมชาติ น้ำดอกไม้ลูกนึงกิโลครึ่งเกือบสองกิโลลูก ใ, ใหญ่ๆเนี่ยนะนะเพราะมันขึ้นช้าหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันสะสมอาหารนะถ้าไปประกวดที่จังหวัดชนะที่หนึ่งทีนี้เราไม่ได้ไปประกวดเพราะกูไปโดนดูเอ๊ะมมวงเราหล่นทิ้งเฉยๆนะวันนั้นก็บอกเด็กๆบาปนะคนเขาไม่นยจะกินก็แยะๆเลยเอาสิ่งดีๆนี่ไปแบ่งให้เขากินก็ ปีหนึ่งเขาก็ไปเอามะม่วงนะทุกคนโดนมดแดงกัดหมดเลยเพราะเราไม่ฉีดยานะพอต่อยปุ๊บก็วิ่งมานะเป็นมะม่ว ง, งซึ่งไม่มีสารพิษแล้วรสชาติมันไม่เหมือนมะม่ว ง, งที่เขาปลูกทั่วไปนะเขาเล้งเล้งเล้เล้ง น, น, น, น, น, นะรสชาติมันจืดหมดนะอันนี้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติปีนั้นก็อยากให้เด็กๆเขาสนุกบอกไปเป็กมาไปในเมือง เขาประกวดแล้วไม่ประกวดกับเขาเขาก็มีบูตตั้งตั้งตั้งพวกเด็กๆเขาก็ตั้งบูตบอกอย่าไปขายแข่งคนอื่นนะไปดูราคาเขาตั้งเท่าไหร่เนี่ยตั้งตามเขาหมดเอาสิ่งดีๆมามาแบ่งกันกินเขาบอกเอามาม่วโงหน่อยกิโลหนึ่งช่างปุ๊บมันกิโลครึ่ง <c oughs> ให้เขาลูกเ ง, ง, งินแขนอีกเลือกหนึ่งจนคนเ้าบอกว่ า, า, น, านุ่งมุฐานต้นคงเถอะอาชีพหลักคืออะไร เป็นคำแรกที่เกษตรกรอย่างพวกเรานี่สามารถตั้งราคาเราเองได้แล้วมีความสุขมากเห็นไหมแล้วมั่งม่วงเรากว่ากว่าจะเอาได้นี่ยต้องทนมดแดงนะเพราะมันไม่มีอันนั้นนะนะอันนี้คือทั้งหมดพ่อครัวจับเกษตรกรสร้าง ป, จ 4, ปัจจัยสี่ห้าปีนะแล้วก็มาทําอันนี้นคือศูนย์ศูนปากทองแล้วก็มาทําศูนย์จิตใจ ศูนย์จิตใจทำอีกห้าปีก็เปิดศูนย์สมองคือโรงเรียนทีนี้ก็พอศูนย์สมองเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวไปศูนย์ปากท้องอีกนะและ้วก็เลี้ยวมาศูนย์จิตใจอีกอ้อมไปอย่างนี้ก็ปัจจุบันนี้ไล่แหลมทองเราเหลืออยู่ครอบครัวเดียวที่ดูแลไล่นอกั้น ไปเป็นครูหมดเอามาเป็นครูหมดมาเป็นครูสองโรงเรียนเราเพราะหลังจากพ่อครูอยู่กับภาคเกษตรแล้วเนี่ยรู้ว่าทําไมกเกษตรกรจนเพราะอะไรในภาคอีสานเนี่ยนะทําอะไรก็ขาดทุนหมดถ้าคิดในเชิงพาณิชย์ไม่คุ้มสักอย่างหนึ่งยิ่งขยันก็ยิ่งขาดทุนมีฝั่งตรงข่าฝั่งนู้น่ะ อยู่ริมเขื่อนท้งนู้นแล้วก็เขาอยู่ใต้เขื่อนเขาก็มีพอเขาเปิดเปิดน้ําปั่นไฟนะเขื่อนสิตลินทรก็ไหลออกไปเพราะนั้นเข า, เขาปลูกเขาเคยมาขอบรนคู่พวกูบริจาคมีกลุ่มที่เขาอะไรเขารักษาพวกชีวิตโครกระบือนะไปไถโครกระบืออะไรเนี่ยเขาก็นั่งคุยกับพระครูเขาบอกตอนที่ไม่มีความส่งน้ํานั้นเขาปลูกข้าวปีหนึ่งครั้งหนึ่ง กเสร็จขายเสร็จไม่คุ้มก็ยังอยู่กับผู้มีรายได้ก็ทํางานอย่างอื่นแต่พอมีคลองส่งน้ำปุ๊บเนื่องจากว่าเขาอยากได้เขาปลูกเป็นสองครั้งถ้าในในแง่ตัด ก, กานะเรามีรายได้สองครั้งจะไหมครั้งแรกไม่พอครั้งที่สองพอเนี่ยเราต้องอยู่ได้นะแต่กับตลปัพอปลูกสองครั้งปุ๊บอยู่ไม่ได้ ต้องไปทำงานกรุงเทพหาเงินมาจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาคือปลูกครั้งหนึ่งขาดทุนครั้งหนึ่งปลูกสองครัง้งขาดทุนสองครัง้งพวกครูทำหมดแล้วก็วิจัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นทำไมเกษตรกร พ่อครูสมัยตอนหนึ่งก็เคยไปค้าขายไต้หวันไปศึกษาพ่อครูเป็นเอเย่นลงสีเข้าวไต้หวันเป็นคนแรกเรามาเข้าในประเทศไทยนะระบบลูกยางอะไรพวกนี้แล้วก็ไปศึกษาเขาเกษตรกรไต้หวันหรือไม่กระทั่งอเมริกาใครมีที่ดินคนนั้นเป็นเศรษฐีบ้านเราตับกันยิ่งทําเยอะก็ยิ่งขาดทุนเยอะนะยิ่งคนอีสานก็บอกคนอีสานขี้เกียจแต่ไรพ่อครูก็เจาะลึกไม่ใช่ ยิ่งขยันยิ่งเป็นนี่เยอะมันมีไม่มีประเทศไหนที่เป็นแบบมีน้ำตอนนั้นโะ ม, ม, ม่งเหมือนกันนะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าที่นี่โดยเฉพาะที่อุบลเนี่ยเป็นจังหวัดชายแดนถ้า ท, ทับจากกรุงเทพเนี่ยก็สุดเลยเขตสุดแดนสยามเนี่ยเราใช้น้ำมันเราใช้ปุ๋ยใช้ ย, ยาเนี่ยแพงกว่าคนภาคกลาง ขนส่งและกินหลา ย, ลายต่อกลมาถึงมือเขาต้นทุนเราก็สูงแต่พอเราจะขายล้วก็เสียค่ารถไปขายอีกเอาเป็นว่าเสียไปกลับเลยเพราะมันไม่มีตลาดนะบ้านมึงก็ปล่อยทิ้งเขาตางมาตภาพไม่ใช่เขาไม่ขยานเหหเขาทำสองครั้งเขาก็ยิ่งอยู่กับบุกเ ง, งินไม่ได้ต้องไปขายแรงงานมาจ่ายหนี้แล้วโดยเฉพาะเขาเลือกเกิดไม่ได้เขาเลือกเกิดไม่ได้ เขาก็มีไม่มีโอกาสเรียนวิชาบริหารเงินคำนวณต้นทุนอะไรก็ไม่เป็นเขาก็เลยเป็นเหยื่อของสังคมทุนนิยมเสรีนะยี่บห้าปีก่อนพระครูมาที่นี่ยังทันอยู่นะที่นี่ยังบริสุทธิ์ไฟฟ้าไม่มีพรอครูอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าสิบเอ็ดปีชาวบ้านก็าพาพกก่อครูไปเก็บเห็ดนะอยู่ในป่านะนั่งเรือไปเขาลงน้ํเหงาโอ้ปลาสมบูรณ์มากปลาชะโดเนี่ เขาจับมาเนี่ยแขวนขึ้นนี่ตัวใหญ่สูงกว่าพวกคุยอีกในน้ามีปลาในานานมีข้าวแต่ถามว่าพวกเขามีตังค์ไหมไม่มีตังค์เขาจนไม่จนแต่เขามีความสุขตอนนี้สังคมอยากช่วยเขาเนื่องจากว่าเขาคิดไม่เป็นก็เลยมาพัฒนาส่งเสริมให้เขาทำนู่นทำนี่ พัฒนาไปพัฒนามาเขาเปลี่ยนจากความจนกลายเป็นความยากจนตอนนี้เป็นหนี้แล้วสมัยก่อนจนเฉยๆไม่มีหนี้ไม่ยากนอนตื่นกี่โมงก็ได้อิสระมากในน้ามีปลาในนามีข้าวแต่พอส่งเสริมพัฒนาอยากให้เขาดีขึ้นทำไปทำมาจากจนอยู่ดีๆกลายเป็นยากจน นี่จนอยู่ดีๆนแตนน่เขาจนจริงๆแต่เขาไม่ทุกข์เขาไม่มีหนี้สินใช่ไหมพัฒนาไปจะมากลายเป็นว่ายากจนตอนนี้มีหนี้แล้วยากแล้วไม่จ่ายไม่ได้ตอนนี้ที่ดินขายหมดขายหมดใช่ไมไม่รู้พัฒนามา25ปีตอนนี้ปลาชะโดที่ตัวใหญ่ๆที่คือเมื ตอนนี้หลายปีพราครูไม่เคยเห็นเลยศูนย์พันหมดเขาเป็นหนี้เขาก็กระเสือกระชนเขาก็ทำทุกรูปแบบเพื่อจะเอามาทุกอย่างทรัพยากรแถวนี้ขายอํมเผื่อใจนี่พัสดุ์ทแถวนี้เกือบจะหมดแล้วสุดท้ายเขาก็เป็นหนี้มากขึ้นใช่ไมไ้ยการที่คือทุนนิยมวัตถุนิยมไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเป็นกติกาสังคมเป็นรูปแบบกระดมชุดแบบหนึ่ง แต่คำว่าเสรีเนี่ยมันทำให้เกิดความเดือมล้อนเพราะคนที่เขาไม่มีทุนไม่มีความรู้เราก็ึงนี้เขามาเล่นเกมนี้เขาก็เลยเป็นเหยื่ อ, อก็ยิ่งมายิ่งเห็นความอันตรายนะสมัยก่อนเอาละ่ะเขาเป็นหนี้เขาก็ทิ้งลูกเมียเขาไปทำงานที่กรุงเทพหาเงินมาแล้วก็พอมาจ่ายหนี้บ้างลูกเมียก็อยู่ได้บ้าง ตอนนี้โซนนี้ถ้าเขาทำมานุงเทสเกิดเศรษฐกิจมันไม่ดีอีกเหมือนปี40อะไรพวกนี้นะเขาไม่รู้จะกลับไปอยู่ที่ไหนตอนนี้เขาไม่มีที่จะกลับบ้านมันจะเกิดกิ่ยุกหลายครอบครัวที่นี่สมัยก่อนบกูมาที่ดินเขาเยอะมากตอนนี้ที่ปลูกบ้านก็ไม่มี พวกกูก็ต้องหาที่ให้เขาแล้วก็แบ่งๆๆๆปลูกปกที่อยู่ของเขามีที่อยู่และเขื่อนตอนนี้ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเก่าแล้วสมัยก่อนตอนหน้าแล้งนี่นะน้ําลดต่อผุดต่อเยอะมากตอนนี้เป็นปะการังเป็นที่หลบซ่อนของปลาที่นี่ลากอวนไม่ได้อะไรมันติดเงาปลาชุกชุมมากเมื่อปลาเล็กชุกชุมก็เป็นอาหารในปลาใหญ่ปลาใหญ่ก็สมบูรณ์ตอนนี้น้ําลด แต่ไม่เห็นต่อแล้วที่พูดยังนี้ให้ฟังเพราะอะไรนะที่ว่าทำลายแบบขุดลากถอนโคนก็ตัดเพราะตอนนี้เต็นเขาสร้างเขื่อนเนี่ยพกูมาใ ห, หม่ๆนะต้นไม้ที่เขานอนอยู่อย่างนี้นะพกูยืนอยู่พกูไม่รกสิบนะที่มันนอนอยู่ใหญ่ของพวกูอีก ยาวสามสี่สิบเนี่ยต้นใหญ่ๆไม้เนื้อแข็งดีตอนนั้นเขาตัดตัดตัดตตัดบังเอิญเขาขนไม่ทันนะชาวบ้านก็ไปมุดเอาออกซิเจนไปมุดขึ้นมาแล้วก็เอาไม้มาขายบางต้นนั้นสมุกใช้ไม้หมดนะเออตอนนั้นไอ้ไม้สุ้มนั้นน่ะมันหมดแล้วทีนี้ก็ไปตัดไอ้ต้นเล็กๆที่มันโผ่โผล่ก็มุดลงไปไปตัดก็ไม่มีต่อผุด แล้วตอนนี้ทำอะไรหรือไม่ตอนนี้สองสามปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีโอท็อปกระไรอะไรก็อนุญาตให้เอาลากไม้มาทำํำโอทอปตอนนี้มุดลงไปขุดลากถอนโคนเอาขึ้นมาทำํำโอท็อปปะการังของตามันก็ไม่มีความสมบูรณ์มันก็หมดนี่แหละคือการพัฒนาแบบนี้เนื่องจากเราทําให้เขายากจน เขาก็กระเสือกกระสนไม่ใช่เขาขี้เกียจเห็นไหมลองไปดูสิเขามีแพรนะนะเขาก็โดดลงไปนะเอาหน้ากา ก, ากใส่มาแล้วเขาก็ลงไปมุดสองคนมาแ ก, ก้กันไปเรื่อยเรื่อยต้นไม้ในนั้นนะในน้ำตอนนี้ไม่ใช่เรื่อยตอนนี้ลงไปขุดลากดูเขาขยันแค่ไหนขนเอาไปขายหมดแล้วนสะุดท้ายมันหมดแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่ สังคมยังต่อยแบบนี้อยู่ต่อไปเนี่ยเราจะหาความสงบสุขความมั่นคงในชีวิตได้อย่างไรถ้าเราไปที่ไหนที่ไหนก็มีโจนผู้รายยอแย่เลยเพราะความยากจนของเขาเขาก็ต้องทำทุกรูปแบบเพื่อความอยู่รอดนะเพราะครูการเห็นการพัฒนาแล้วเนี่ยพัฒนาไปพัฒนามาท้าในแง่ชีวิตแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกมั่นคงเลย แล้ความเดื่อมร้อนในสังคมก็มากขึ้นมากขึ้นนะตอนนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะก็กลายเป็นหมู่บ้านนี้ช่วงไม่กี่ปีมาเนี่ยสวนยางเต็มไปหมดเลยเพราะเราวิ่งตามเศรษฐกิจเมื่อยางมันดีกิโลละร้อกว่าก็ปลูกกันปลูกกันแต่ไม่ใช่ชาวบ้านปลูกนะชาวบ้านขายที่หมดแล้วและกลายเป็นพืชเชิงเดียวตอนนี้ ในหมู่บ้านแหลมทองเนี่ยเราจะไปเก็บเห็ดเหมืองเก่าไม่ค่อยมีละมีอยู่สองจุดคือไร่แหลมทองที่พวกูอยู่พวกูุยยังรักษาป่าและเหมาะไว้เป็นซปเปอร์มาเก็ตของชาวบ้านแล้วก็มีศูนนอกจานล่มเตียนหมดเป็นสวนยางซึ่งสมุนไพรก็ไม่มีสัตว์ก็อยู่ไม่ได้นะ ต, ตอนนี้ซปเปอร์มาเก็ตธรรมชาติมีอยู่สองแห่ง คือไล่แหลมทองกับศูนย์ประหลานคอยชาวบ้านจะไปหาสมุนไพรไปเก็บมะม่วงละไรเนี่ยอิสระแล้วก็เข็นรถเข็นไปเอาอะไรไปเอากิ่งก้านไม้ไปทำฟืนที่อื่นโล่งเตียนหมดแล้วเห็นธรรมดาเนี่ยถ้าเราอยู่กันแบบ สมรราถะเรียบง่ายธรรมชาติสมบูรณ์มากเดินเข้าป่าปุ๊บเดี๋ยวอาหารออกมาลงน้ําปุ๊บมีปลาออกมาถึงจะไม่มีเงินเราก็อยู่ได้เห็นไหมก่อ น, นเนี้ยมาในหม่เนี่ยอยากกินส้มตำลดตลาดไม่เข้ามาเนี่ยชโนดจุดนั้นนึงก็ไม่ได้กินแต่หลังจากเราปลูกปุ๊บตีสองีสามไม่มีเงินชักบาทมังลุกขึ้นมาอยากกินส้มตําก็เด็ดมะละกอมีหมดทุกอย่างไม่ต้องผ่านเงินเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต เมื่อเราไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินเมื่อเราใช้เงินมากเราก็ต้องหาเงินมากต้องกระเสือกกระสนมากนะชีวิตเราทำไมต้องเป็นแบบนั้นคือเราคิดนอกกรอบไม่ได้เราถูกใส่มาตั้งแต่เด็กเรียนเงินเก่งหาเงินเยอะๆถ้ามีเงินแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดจะมั่นคงจะมีความสุขสะดวกสบายเพราะทุกอย่างเอาเงินซื้อเอาได้สะดวกสบาย พ่อครูก็ส0ิบปีวิ่งไปตามคำสอนนี้อย่างซื่อสัตย์ไปต่อสู้ที่เวทีใหญ่ของโลกคืออเมริกามันก็มีมันจริงๆแต่หาความสุขไม่เจอมันมีแค่ความสะดวกสบายความสะใจความพึงพอใจมันไม่ใช่ความสุขมีแต่ความเครียดความกังวลไม่เคยรู้สึกมั่นคงเลยขนาดต่างประเทศอเมริกาเนี่ยกฎหมายเขาศักดิ์สิทธ ความปลอดภัยในชุดทรัพย์สินก็ถือว่าใช้ได้แต่ลึกๆเรา ย, ยังไม่รู้สึกมั่นคงเห็นไหมเมื่อเราสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นน่ะเหนื่อยมากกำลังรูไปนอนข้างๆมันมีลอยชั้นไม่รู้สึกมั่นคงเดี๋ยวแพ้มันสร้างสร้างขึ้นไปถึงเก้าสิบเก้าชั้นแต่บางคนกําลังจะขาดใจตายมันไม่ไหวจริงๆมองขึ้นไปอีกแค่ชั้นเดียวจะถึงแล้วเนี่ย นะแต่มันไม่มีกำลังจริงๆยังเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกว่ามันไม่ทุกข์เหมือนเราเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตคืออะไรเราถูกต่อสู้เื่นเก่งหาเงิเนเยอะเพื่อสร้างอนาคตถ้าอนาคตเรามีเงินเยอะนั่นแหละคือความมั่นคงล้วก็ซื่อสัตย์ทำไปตาม น, นั้นพวกคุณไม่เจอความมั่นคงเลยแล้วก็ไม่เจอความสุขเลยแล้วถูกความรู้ตรงนั้นน่ะ ตีกรอบไปเราคิดนอกกรอบนั้นไม่ได้เห็นไ้มพอพูดถึงเรื่องกรอบปุ๊บบังเอิญช่วงสิบห้าเดือนที่ผ่านมาศูนย์นี่ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งมาอยู่กับพวกครูพวกครูก็เลยเรียนรู้กับอาจารย์อ้อยดูว่านักวิทยาศาสตร์คิดยังไงก็อาจารย์อ้อยก็เป่งวาวาจามาในฐานะเป็นนักวยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนักวิยาศาสตร์เขา เขาเป็นคนที่สอนว่าไม่ต้องเชื่ออะไรง่ายๆก็ตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้าอย่าเพิ่งเชื่อซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่าเพิ่งเชื่ อ, อต้องทดลองทดสอบวิจัยควนควาจนเห็นด้วยตัวเราเองค่อยเชื่อซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่บางอย่างนักวิทาสตก็ชะล่าใจเขาบอกว่าเรียนเก่ง แล้วก็ค้นควาวิจัยเยอะๆเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยชีวิตจะได้มั่นคงอันนี้นักวิชาเชื่อง่ายเกินไปวิจัยวิจัยวิจัยนะแล้วต้องวิจัยตามที่ในทุนเขาสั่งว่าวิจัยเรื่องนั้นยังมีเพราะว่าในทุนต้องการวิจัยเรื่องอื่นในทุนไม่ซื้อแล้วก็การวิจัยนั้นก็ไปติดบ่วงที่ต้องช่างตรงวัดได้อะไรช่างตรงวัดไม่ได้เนี่ยนักวิชาสตร์จะปฏิเสธก่อนบางอย่างเหมือน ถ้าเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆนี่ถูกต้องเพราะครูก็พูะเจ้าก็สอนแบบนั้นทีนี้มันมีนักปราชญ์คนหนึ่งแถวตะวันตกเนขาเคยพูดว่า I think therefore I am ฉันคิดฉันจึงมีตัวตนทุกคนทั้งโลกเชื่อปรัชญาตัวนี้ถูกต้อง ถูกแล้วไงเราคิดดีเราก็อารมณ์ดีเราคิดร้ายก็อารมณ์ร้ายคล้ายๆว่ามันใช่ใช่แต่เป็นแค่เเสี้ยวหนึ่งของความจริงก็เลยไปแก้ที่ความคิดเธอคิดลบเธอกลัวกลัวผีนะกลัวจนตัวสัน่นจนยิ่งไม่ออกเป็นโลกผีหัวโขนหัวร่วงหมดเลยไหมเพราะเธอคิดลบเธอต้องคิดบวกสิพวกผีมันไม่น่ากลัวเลย กะคิดบวกคิดบวกแล้วไปแก้คิ ด, ค, ดคิดบวกบางทีก็คิดได้บางทีก็คิดไม่ทันนะปีที่แล้วมีสติท่านหนึ่งอยู่สมุรสาคอนหรือสมุรประการพระ ก, กูจำไม่ได้โทรมาหาแก้วกับปุ๊บโทรศัพท์เบอร์ก็โทร บ, บอกว่ามาสูงมายังไงเขาก็บอกปุ๊บ บอกแต้องมาเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคุณมาเดี๋ยวนี้คุณมาถึงอุบลินมันกลางดึกนะเขาบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวนี้เขาจะฆ่าตัวตายเขาต้องหนีจากสุนทรลักนเดี๋ยวนี้แต่เขาไม่รู้จะไปไหนเขาเห็นเว็บไซต์ที่นี้เขาบอกว่าเขาจะมาเขาก็มาจริงๆมาเดี๋ยวนี้เลยนะมาถึงนี่หน้าดังําเขียดแบบ สับสนเหมือนคนขาดสติบางเอิญมาเจอนานาจิตตังตัวให้เต็นแค่เต็นเต้นเต้นเต้นเต้นต้น่วโงกว่าเนี่ยหุดออกจากอารมณ์นั้นไม่คิดฆ่าตัวตายแล้วแล้วถามเรื่องอะไรเหรอเรื่องมนเรื่องไม่ใหญ่เรื่องตัวเราค้าขายก็ต้องมีเจ้านี่ลูกนี่แล้วก็เรื่องขัดแย้งกันบ้างเนี่เห็นไหมแต่มันไม่มีทางออกมันย้ำคิดยังทำอยู่ในกรอบนั้นอะ ใช่ไห่วคนกำลังเบย์อยู่เนี่ยที่คนเขาจะคิดหน้าตัวตายมันคิดนอกกรอบไม่ได้มันถูกบล็อกตัวนั้นแหละเราไปสั่นเขาให้ตื่นตื่นตืตืตืื่นตมันเกิดออกมาจากตัวนั้นแหละเขาจะถามว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรอันนี้ไม่ใช่อะไรที่แยกยนน์เป็นอะไรตรงๆเห็นไหมทุกวันนี้เราโดนกรอบเราคิดตามกรอบแล้วคิดนอกกรอบไม่ได้ ทีนี้เขาบอกว่าไปแก้ที่ความคิดไปคิดบวกมากดเกลื่อนคิดลบเห็นไหมไอ้ตัวคิดลบมันก็ยังอยู่เหมือนเรากินยาพลาราอะไรกินทุ๊บหายปวดนิดยาหมดมันก็ัวอีกก็กินอีกกินอีกและสารตกค้างที่ตกค้างอยู่นะมันก็ดื้อยาทุกวันนี้เราแก้ที่ปัจจัยเพราะจุดเริ่มต้นก็คือเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิด เนื่อจากว่าโจทย์เราคือว่าต้องมีเยอะๆถึงมั่งขั่งเขาถึงจะมั่คนคงนะมันก็คิดคิดคิดทำยังไงฉันจะได้คิดยังไงฉันจะชนะพอไม่ชนะมันก็กังวลมันก็เกิดอุปทานแล้วเนี่ยมันกลายเป็นคนคิดลบตลอดกลัวไม่หมดเลยกลัวจะแพ้กลัวจะไม่ได้เห็นไหมต้นเหตุก็คือว่าเราต้องโจทย์ให้ชีวิตผิดว่าต้องมีแล้วถึงจะมีความสุข แลอแก้ปัญหาเหมือนกันเนื่องจากเธอคิดลบไงเธอคิดบวกซี่คิดบวกแล้วเธอจะมีกําลังแล้วก็ไปแก้ที่เอาความคิดบวกประกบเกินคิดลบมันก็เกิดจากความอยากเหมือนกันถ้าในทางศาสนาแล้วเนี่ยทั้งคิดลบทั้งคิดบวกเนี่ยก็คือตัวปัญหากับวิพัฒน์ปัญหาคือที่มาของทุกเช่นเดียวกันแต่ยุคนี้เราแก้แบบนั้นไงหนังสือคิดบวกขายดีมาก เข้าคอสเรื่องถุกจิตคิดบวกเพราะอะไรเพราะอยากได้อยากสำเร็จนักมวยสองคนไอ้ น, นี่ก็คิดบวกอั น, นี่ก็คิดบวกคิดบวกทั้งสองคนชนะทั้งสองคนได้ไหมมันก็ยังมีคนหนึ่งแพ้คนหนึงชนะอัะแหละแต่การชนะเราเกิดจากเราไปเอาเปรียบเขาเราทำให้คนอื่นแพ้เขาเสียใจเนี่ยศาสนาพุทธไม่สอนอย่างนั้นคิดปุ๊บมโนกรรม คิดดีก็ทุกคิดชั่วก็ทุกบางคนย้อนก็คือว่าคิดดีมันจะทุกได้ยังไงนั่นแหละคิดดีเนี่ยตัวดีคนคิดดีสังคมบอกว่าแล้วรับผิดชอบแล้วก็คิดยิ่งเป็นคนรับผิดชอบก็กลัวจะไม่สมเด็จไม่หลับไม่นอนคิดอยู่ตรงนั้นแหละแล้วถ้ทําคิดทำความดีคิดจะไปช่วยเขาจนนอนไม่หลับเนี่ยแล้วมันดีไหล่ะคิดก็คือมโนกรรม แต่ตอนนี้ทางโลกก็สอนให้ต้องคิดต้องคิดคิดบวกคิดหาทางแก้ไขจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยปัญหามันเกิดจากความคิดถ้าเราไม่คิดลบเราก็ไม่ต้องคิดบวกคือไม่ต้องคิดคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นที่เราคิดเราคิดตามภาษาใช่ไหม เรเป็นคนไทยเอาภาษาไทยมาคิดคนจีนเอาภาษาคนจีนมาคิดคนฝรั่งเอาภาษาฝรั่งมาคิดภาษานี่มันเป็นสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นมันไม่ใช่ความจริงแล้วก็คิดตามสมมุติแล้วก็ถูกกรอบของภาษานี้บล็อกไว้โดยเฉพาะภาษาทุนนิยมวัถุนิยมเนี่ยเขาสอนเราว่าต้องชนะต้องมีเงินเยอะๆถึงจะมั่นคงแล้วถูกกรอบขึ้นข้คอบไว้ด้วยวัฒนธรรมประเพณีนะ ภาษามารยาทมันเป็นอุบายวิธีในการอยู่ร่วมทำไปทำมาแล้วก็ไปหลปิดอุบายนั้นก็กลายเป็นกรอบที่บอกว่าเราคิดนอกกรอบไม่ได้ไม่มีทางคิดได้เพราะมันคิดตามกรอบอยู่แล้วมันคิดตามภาษาถ้าจริเราเอาความคิดไปแก้ก็คิดอยู่ในกรอบที่ว่าเราอยากได้เราปลอบใจตัวเองให้ต้องคิดบวกอันนี้ก็อยู่กรอบเหมือนกัน เพราะเราอยากได้แล้วทำอย่างไรผูรค้ครูทําที่นี่มายาวนานเราไม่แก้ที่ความคิดเราแก้ที่พฤติกรรมเรามาทำอะไรนอกกรอบเราทำเลยฉันขับคนมาใหม่ใหม่สังเกตนะเอ๊ะเต้นทำไมเฮ้ยลัที่อะไรไอ้ที่ความคิดแบบนี้คือกรอบให้อายว่า อายุขนาดนี้มาลัมทาไมนี่คือเกอะมันบอกไม่ลัมลัมมันบอกไม่เต้นเต้นแล้วกำลังทําลายเกอะเมื่อเราทําลายเกอะทั้งหมดจิตก็เข้าสู่ความอิสระภาพตอนนั้นถ้ามันจะเป็นต้องคิดพวกคุณไม่บอกว่ามันคิดนอกเกาะเพราะมันไม่มีเกอะมันคิดตามเหตุและปัจจัยตามความเป็นจริงเราจะเอาความคิด แก้ความคิดอันนั้นสร้างอุปทานใหม่มากบเกินอุปทานเก่าเมื่อกดสปริงไว้แหละนะี่ยกดสปิงไว้กดมันไว้เผลอๆปุ๊อยุโตๆชนปุ๊บก็เด้งผังอีกเห็นไหมเราต้องแก้โดยทําลายสปริงซะพอยืดมันออกมาทีเดียดมือเรบ้างต้องขันติอย่าขันแต่ก่อนนะต้องมอีวิริยะเมื่อเราดึงมันออกมาแล้วเนี่ย ไม่ต้องกดไม่ต้องทำอะไรเลยมันสมบตลอดการดับทุกดับที่ต้นเหตุแห่งทุกตอนนี้เราดับที่ปลายเหตุปวดหัวก็ยิงยาพลาฤทิ์ยามันหมดถ้าไม่เลิกคิดมันก็ปวดอีกเห็นไหมพรอครูพูดเรื่องนี้ได้อย่างไรมีหนังสือเรื่องไหนมันบอกเราทำอย่างนี้ไม่มีร้อยทั้งร้อยบอกคิดบวกหมดอะแต่ชิตพรอครูเปียนเพราะพระครูเลิกคิด อยากนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ไปสู้เวทีอเมริกาไม่คิดไม่ได้ไงมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันทาคอมพิวเตอร์คิดจนได้รังวชีวิตเป็นไมเกรนความเครียดลงกระเพาะพอมันนั่งปุ๊มันระเบิดไมเกรนหายเลยโรคกระเพาะหายเลยแล้วยี่ห้าปีมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกินยาแก้ปวดสักเม็ดหนึ่งโดยเฉพาะปวดหัวมันไม่เคยปวดเลยเพราะมันไม่คิด แล้วทังไปเจอคำว่าคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นร่างกายเราคือสิ่งมหศัศจรรย์นะเวลาเราโม่งมันทำยังไงมันหาวใหญ่เลยมันส่งสัญญาณเตือนภัยหาวอยู่ตรงนั้นแหละบอกนอนเถอะนอนเถอะนอนไม่ได้เพราะงานยังไม่เสร็จไงเที่ยงคืนยังไม่นอน เดี๋ยวงานไม่เสร็จมันจะไม่รวยไงยพอเที่ยงเยือกันยังไงมันส่งสัญญาณเตือนภัยท้องมันร้องกึ๊กกึ๊ก๊บกกินเถอะกินเถอะไม่ได้ยินความรู้มนบอกว่างานยังไม่เสร็จกินไม่ได้พอผู้มีเช้าส่งงานมาได้เงินมาล้านหนึ่งมารักษาโรคเครียดโวกมะเร็งโรคกระเพาะแล้วคุณจะหาเงินมาทำไม ตนันมันมีความรู้แต่มันขาดปัญญามันรู้ว่าต้องขยันนะต้องขยันนะงานไม่เสร็จอย่กนมันส่งฉัญยานเตือนภัยเห็นไหมพอเราคิดมากๆเนี่ยมันส่งสัญญาณเตือนภัยอะไรมันก็ปวดหัวปวดหัวแบบว่าหยุดคิดเถอะหยุดแล้วแก้ยังไงกินยาพาราไประนาบประสาทไม่ให้รู้สึกปวดแล้วมันยังไงล่ะมันก็มาเลยไง เพราะหลนจากความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะโอ้พอมันหยุดคิดปุ๊บไม่มีความปวดหัวขึ้นเกิดขึ้นมาเลยไม่มีความตั้งยนสับสนวุ่นวายเพราะเราคิดเราถึงสับสนวุ่นวายลังเลสงสัยก็ไอ้คิดนั่นแหละพอมันหยุดคิดแค่นั้นเองเนี่ยทุกอย่างเจบปัญหาของเราทั้งหมดคือเกิดจากเราคิด แต่ตอนนี้เราแก้ปัญหาเราคือคิดมากขึ้นคือคิดบวกยาพารายาพาราเมื่อไหร่ที่มันแพ้ยาเมื่อไหร่นะสารตกค้างเนี่ยนะที่เรา ก, กินเม็ดหนึ่งก็อยู่ใช่ไหมต่อไปไม่อยู่แล้วเราต้องสองเม็ดสามเม็ดนะแล้วมะเร็งจะไปไหนล่ะมันก็อยู่กับเราสิเราทำร้ายตัวเองตลอดเพราะเราถูกตีกรอบ อาละเห็นไหมเล้วทีทีกรอบแล้วมันคิดตามกรอบมันคิดนอกกรอบไม่ได้ทีนี้เราจะทํากรอบทําลายกรอบทํำยังไงออกมาเต้นออกมาเต้นเต้นเปลี่ยนชีวิตเต้นเปลี่ยนชีวิตใชนไหมพี่แคทลดสี่กิโลแล้วมัน ยี่้ากิโลเห็นไหมพันสาเบลมาเมลัยร้อยสิบแปดกิโลนี่เต้นเปลี่ยนชีวิตไงแต่ที่เขาเต้นเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเขาใช้ใจเต้นอะไรเต้นก็ได้ระดับได้นะถ้าขยันถ้าอดทนก็ได้ลดน้ําหนักแต่นี้เราใช้จิตเต้นไอ้ลดน้ำหนักอีกเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองแต่ลดอารมณ์โกรธอารมณ์เครียดอันนี้มหาศาล ไม่ต้องเพิ่มยาแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่เรามาทําในสิ่งที่กิเลสมันไม่เคยทํามันไม่เคยทํากอบกิเลสว่าให้อย่าทำนะอายกันนะอย่าทํานะเป็นบ้าอย่าทำนะมันไม่พอไรมันไม่มีมารยาทอย่าทํำนะมันไม่บุคลิกไม่สวยงามนมี่ไม่คือกรอบเรามาทําเลยทําทวนกระแสนี่แหละปลาเป็นทวนน้ําปลาตายต่างน้ํา ทุกวันนี้เราตามกระแสตามกิเลสตามกรอบที่เราถูกบอกไว้เราถึงแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดจริงๆแล้วไม่ไง่ายมันยกมันหนักเราก็ต้องวางวางนี่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องไปหาเทคนิคก็วางไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกเต้นเลยปฏิบัติเลยเห็นหมหไม่ต้องไปฝึก ฝึกฝมันนัดมวเน่ชกกระสอบฝึกฝึกจะต้ขยันมากแล้วก็แข็งแรงระดับหนึ่งแต่มันไม่เกิดทักษะมันไม่เกิดปัญญาเพราะกระสอบมันชกเราคืนไม่ได้พอเราขึ้นเวทีมวยเห็นไหมไอ้คู่ชกเรามันบอกว่าระวังนะฉันจะชกขวาอะแล้วมันบอกอะไรหรือเปล่ามันไม่บอกมันชกมาแล้วเราต้องใช้สติปัญญาเราที่มีอยู่แล้วก็หลบหลีกมันยิ่งใช้ก็ยิ่งชนะนั่นแหละคือตัวปัญญานั่นคือทักษะ เราจะซ้อมอยู่ตรงนั้นแหละฝึกอยู่ตรงนั้นแหละฝึกสมาธิฝึกสติฝึกแตไม่เคยใช้มันเลยเห็นไหมใช้มันใช้มันใช้มันใช้มันใช้มันยิ่งใช้ก็ยิ่งชำนาญ น, นี่คือมักขจิตเราต้องยอมรับก่อนว่าเราถูกตีกรอบเราถูกตีกรอบและเราคิดนอกกรอบไม่ได้เพราะเราคิดตามกรอบตามภาษาตรงนั้น และตรงนี้เราก็ไปแก้ที่ว่าก็พอคู่บอกเนี่ยไอ้ความคิดมังคือต้นเหตุของปัญหาไงก็มาแก้ที่ความคิดก็คิดบวกสิอา้าคุณรู้อยาแล้วมันมีปัญหาคุณยังไปคิดให้มันเพิ่มปัญหาอีกเมันเหมือนโถูกแนละ้แต่มันผิดยิ่งใหญ่มากก็มันคิดมันจะปัญหาคุณก็หยุดคิดซะก็จบปัญหาไงไม่ใช่ไปเพิ่มปัญหาใหม่คือคิดบวก คิดบวกคือการสร้างอุปทานใหม่มากดเกิอนอุปทานพระครูทํำไมดูเรื่องนี้40ปีนิ่งไปตามโลกนะ15บอกไม่ให้ทำอะไรทําหมดขณะทําหมดแล้วนะัสะใจมากแต่เป็นเกิอดอาการเบื่อเบื่อชีวิตธุรกิจทาอะไรก็สำเร็จหมดเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องหมดเลยไม่มีปัญหามันมีปัญหาทุกวันแต่ว่าเราชอบแก้ปัญหามีความสุขกับการแก้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาสําหรับพระครู ครอบคัวก็ไม่มีปัญหาแล้วมันเบื่ออะไรเรามีอีโก้เราเป็นผู้ชายไทยเราคิดว่าเราเป็นช้างเท้าหนา้าเราหลงตัวเองทีนี้เขาก็ทำให้เราเห็นว่าเราเก่งจริงไหมเขาทำให้ครอบคเบือบ่อเบือบ่อเบือบ่อเบือ่อเบื่อเบื่อเนี่ยสมัยก่อนเราคิดว่าเบือ่อมันบอกโง่จังเลยพอคิดปุ๊บไอ้ภาษาบอกว่าไปเที่ยว ไปเที่ยวไปบินละสเวกัสไปเล่นการบ น, นันไปกินเหล้าเที่ยวเต้นลัมไปตีกอ๊อไปอะไรอะไรอะไรให้มันลืมเพราะกลับมาอีกมันก็เบื่ออีกนั่นแหละคือยาพลานั่นแหละคือคิดลกไงแต่อชื้อที่ทำให้คิดลบมันก็ยังอยู่ไงทีนี้เราไม่มีบัญยาหรือว่าแล้วมันเบื่ออะไรเหรอมันหาคาตอบไม่ได้ เขาทาให้เรารู à, én, ài, ้ว่าอะไรนะทำให้พวกครูรู ng, ้ว่าพวกครูเนี่ยไม่เก่งเลยแก้ปัญหาชีวิตตัวเองก็ไม่ได้แฝดหมดแฝดหมดเหมือนคนไม่มีแรงเลยหมดอะไรตายอย่างเห็นไหมถ้าไม่ได้เกิดอาการแบบนี้เพราะบุญเก่าถ้าไม่มีบุญเก่าเนี่ยมันจะทําให้เราหลงเราเลงชีวิตนั้นสมุกดี กำลังก้าวหน้ากำลังกอบโกยขยายสาขาให้มันเยอะขึ้นถ้าไม่มีบุญเก่ามันจะคิดแบบนั้นไอ้บุญเก่ามันทําให้เราเห็นทุกถ้าไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นทับเพราะคูอารมณ์นั้นเข้าใจเลยตอนที่เจ้าชายเสือถาเห็นไหมดูไห่เฮนมหาปราศาทราชมนเทียนมีปราศาสามดูดูมีครบทุกอย่างเลย วันที่พระลาหุนประสูติมาแค่วันแรกพระองค์ไปดูแค่ครั้งแรกก็จากนิ่ออกไปนิ่ออกจากราชวังไปพระคเข้าใจอารมณ์นั้นแน่นอนพระองค์ไม่ได้มีปัญหาอะไรพระองค์ไม่ได้ทุกข์อะไรแต่พระองค์เห็นทุกข์ เกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องละ่ะเห็นงานศพเขานี่คนตายคนยังไม่ตายญาติพี่น้องก็นั่งร้องไห้คนแก่รูกก้โกอวยนั่งโอวยคนเจ็บก็ร้องหหยหวนพระองค์ไม่ได้ทุกอะไรถ้าพระองค์เห็นทุกข์พระองค์จึงไปสแสวงหาโมรกกะธรรมพระครูเวลานั้นเข้าใจตรงนั้นเพราะว่าชีวิตพระครูไม่มีปัญหาแต่ที่พระครูเจอปัญหาคือว่า พอครูเจอว่าพอครูเบื่อพอครูไม่รู้ที่มาของเบื่อพอครูก็แก้ไม่ได้พอทุกครั้งคิดก็ออกไปเที่ยวสิยังไม่ไปก็รู้แล้วว่าจะไปทำอะไรรู้หมดแล้วมันทำมาหมดแล้วไงแคบหมดเราไม่เป็นคนเก่งอีกต่อไปนั่นแหละบุญเก่าทำให้เราเห็นทุกพะครูจึงเห็นธรรม ในสามชั่วโมงสุดท้ายในเวลานั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นั่งสมาธิแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายทีเดียวจบถ้าคนอย่างพ่อครูนี่ยเขาไม่ตัดคอพวอครูเลยเนี่ยพ่อครูว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้ดื้อมากหลงตัวเองเยอะๆชอบลองของตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจว่าจะผิดศีล น, นะเพราะเราไม่รู้เลยว่าศีลมันคืออะไร อยู่ใหับถือศาสนาพุทธอยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่กำเนิดแต่ไม่เคยรู้เลยเพระองค์สอนอะไรโชคดีมากบุญเยอะมากที่ไม่รู้ถ้าบังเอิญไปรู้มาเนี่ยมันจะลังเลสงสัยทําไปด้วยเอ๊ะมันคืออะไรเอ๊ะทําไมเอ๊ะทาไมแม้แต่ น, นี่เราชอบถือไม้กันเรื่อยนะเห็นไหมไอ้ตัวทําไมตัวลังเลสงสัยคือบ่วงคือสิ่งขวางกั้นทางเดิน มันทําไมปุ๊บเบี่ยงไม่ทิ้งเลยทําต่อจำคานี้ไว้ได้ยังไงมันทุกข์ไงจนนอนไม่หลับเลยมันอยากรู้ไงมันตีตีไม่แตกเลยเนี่ยมันงดหยิ ด, ดถ้าบอกปุ๊บมันรู้ปุ๊เดีย่ยก็สบายเห็นไหมเหมือนมีเหตุผลนะพอสบายแล้วพรุ่งนี้มันอยากรู้เรื่องอื่นอีกรู้มากกว่าเก่าอีกพอเพราะเราอาหารให้ตัวอยากรู้มันกินแก้ปายเหตุนนะ ไม่ใช่ไปดับที่ว่าอยากรู้เมือม่อรูแล้วฉันจะมีความสุขฉันจะนอนหลับนะอันนี้ปลายเหตุยาพลาต้องดับที่ไอเชื้อที่มันอยากรู้ซะไอเชื้อที่มันอยากสงสัยซะแก้มันทุกวันนี้เราแก้ที่ปลายเหตุหมดเห็นไหมเรามันอยากรู้ไงแล้วก็สนองมันตลอด นิดนึงก็ทํำไมนิดนึงก็ทำํำหมเห็นไหมเบี่ยงไปทิ้งทำเฉยๆทำทำทำนะทําโดยเบี่ยงทิ้งเยงทงเรื่อยแล้วต่อไปเนี่ยไอเชื้อที่มันอยากรู้อยากเห็นอยากชนะอยากเก่งมันก็ไม่มีนั่นแหละความสําเร็จมันอยู่ตรงนั้นนะโดยเฉพาะหลักการของพุทธศาสนาแล้วเนี่ย พระองค์ม่ที่สอนให้เราต้องเพิ่มอะไรไม่แต่หนึ่งอย่างทางมาสู่การพ้นทุกข์ทานศีลภาวนาการทำทานเนี่ยการทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานเนี่ยคือเอาออกเอาความเลือกความเต็มหี่ออกไม่ใช่ไปสะสมบุญนะสะสมบุญนั่นคือเอาเข้าเอาออก เราออกบุญคือเบาบาปคือหนักมันเป็นอุบายวิธีขัดเกลีความโลภความตเนี่เรานั่งสมาธิเราก็ทําให้เอาจอสมาธิเนี่ยรู้เท่าทันอารมณ์ละลายพฤติกรรมความโกรธออกเมื่อเราเข้าถึงจิตในจิตเข้าถึงกล่อปัญญาเราเนี่ยจิตมันผ่านมาหลายภพหลายชาติทําไมมันจะไม่รู้มันรู้์หมดเป็นอะไรก็ทุกข์เมื่อมันรู้เลยว่าร่างกายเราประกอบด้วยอะไร ดินน้ำลมไฟกับจิตวิญญาณมันรู้ได้ว่าเรามีกิเลสปัญหาอุปทานอะไรมันรู้ได้ว่าสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรจิตมันจะแก้ที่ต้นเหตุของมันต้นเหตุคือเรามีอัตตามันจะละเบิดอัตตาแต่มนนันทิ้งซะเข้าสู่ศุญย์ตาคือว่างจากอัตตาเมื่อตัวเราไม่มีแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนทุกข์ จะเป็นคนสุขไม่มีแก้ที่ต้นเหตุแต่ตอนนี้ชีวิตเราแก้ที่ตายเหตุตลอดเป็นเพราะโทวด่าฉันนั่นฉันทุกข์จนทันนอนไม่หลับเอาละไปทั่วเขาอีกเป็นเพราะเราทำ้ายตัวเองเขามีปากเขาก็ดา่าเรามีหัวเราก็ได้ยินแต่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เอามาคิดไปคิดให้ตัวเองทุกข์จนนอนไม่หลับเนี่ยโง่ไม่โง่ ไม่ไปโทษกขาอีกทุกเรื่องโง่ซ้ำสองแล้วเป็นด่าเขาอีกไปว่าเขาอีกเป็นเพราะเขาว่าเนี่ยทุกซ้ำสองสร้างวัจจกรรมอีกทั้งหมดคือเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครความสุขจริงๆมันคืออะไรเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนทั้งหมดคือเราไม่รู้เราเพี่ความรู้เรื่องสร้างอนาคตสร้างฐานะ เรมีตีกรอบว่าถ้ามั่นคงฐานฐานะมั่นคงแล้วเนี่ย เ, เศรษฐกิจเยอะแล้วก็กรู้สึกมั่นคงนั่นแหละคือความสุขนี่คือกรอบพู้ครูพิสูจน์แล้วนะไม่ใช่ความจริงสิ่งที่เขาสอนเรานั่นไอกรอบที่เขาสอนเราว่าเล่นเก่งๆหางเงินเยอะๆ เ, เมื่อรวยแล้วเนี่ยจะมีความสุขพู้ครูตีกรอบนั้นหมดแล้วพิสูจน์หมดแล้วว่ามันไม่ใช่ แต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยเราสามารถคิดนอกกรอบได้ไหมไม่ได้คิดทุกาภาษาไทยคิดทุกาภาษาฝรั่งคิดทุกาภาษาจีนคิดตามสมมุติตามกรอบนั่นแหละนะก็ให้ทุกคนรู้ว่าเรามาทําอะไรอยู่ที่นี่เช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยสังเกตไหมเราปฏิบัติธรรมที่ไหนเนี่ยถ้าไปค่ายนี้ปุ๊บเธอดูลมหายใจนะเธอก็ดูลมหายใจเหมือนกันหมดเป็นหุ่นดนล เธอรัวเ่อนเหยียร่างกายเคลื่อนไหวเธอก็ทําเหมือนกันหมดอันนี้เป็นองค์วิชาเป็นเทคนิคในการฝึกสติฝึกสมาธิเป็นวิชาหนึ่งไม่ใช่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องจเจริญมรรคผลนิพพานไม่ใช่ไปฝึกสติฝึกสมาธิตอนนี้เราก็ติดกรอบไลยนี่คือกรอบเหมือนกันอยู่ทางโลกก็ถูกตีกรอบ มาทางสายทำก็ถูกตีกรอบอีกแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็อยู่ในกรอบนีไ่ไงทีนี้ประเด็นที่พวกคุณเรียนคือกรอบแล้วจะทำยังไงเร า, ารก็มาทาอะไรที่มันนอกกรอบบบนี้เราก็เป็นคนชั่วไปเป็นโจร่ร้ายสิโจร่ร้ายก็อยู่ในกรอบฮกรอบความยากไง เราเต้นเราลั่นนี่เราไปตีหัวใครไหมไม่ไม่เราเต้นแล้วเนี่ยแล้วเหนื่อยมากเราหมดพลังไปไหมไม่มีพลังมากขึ้นเห็นไหมเราล้อออกมาหมดเลยอารมณเราหมดไหม <c oughs> กลัวอรมณหมดนะเ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวจะไม่มีพลังด่าคนนาะ เราไม่ได้สร้างกรอบอะไรใหม่เลยนะทุกคนไม่ได้ติดนะเรากําลังทําลายกรอบแต่อยู่ในในัยะที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้วเองเดือดร้อนแต่ถ้าเราไปแหกปากร้องอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยเขาเดือดร้อนนะ <c oughs> เราจะอรู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไร นะหลายปีมาที่แปลงนี้เป็นที่สประกอพวกคูมาอยู่ตั้งแต่สประกอยังไม่เกิดขึ้นเป็นที่ที่ทหารเนี่ยเขาแบ่งให้เป็นที่ทํากินกันพวกครูรุ่นตรงนั้นแหละนะแล้วพอสอประกอบมาประกาศพวกคูไม่รู้รื่องมันเกิดอะไรขึ้นจะประกาศว่าอันนี้เป็นนู่นเป็นปนี่ก็ประกาศขึ้นมาโอเคประกาศกัประกาศ เขาก็มาลังวัดอะไรเนี่ยพวกคูกระถางจำที่เพราะว่าถ้าเขียนลงในแผนที่ประเทศไทยว่าเป็นศูนย์ประหลาดข่อยได้ไหมเขาบอกได้เขียนในพระคูหน่อยเนี่ยไม่ต้องเป็นชื่อใครไม่ต้องไปผูกบ่วงว่ให้คนรุ่นหลังเขาต้องมีปัญหากันพระคูต้องบอกว่าใครมาที่นี่อย่าเรียกร้องสิทธินะไม่มีสิทธิ์พวกคูก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ มันเป็นของสมมุติเรามีไปเราอยู่แล้วก็ดูแลรักษามันนะล้วปลูกปา่าโดยไม่ต้องปลูกขออย่าทํำลายมันทานั้นยิงแล้วก็ใช้ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็บริเวณข้างๆเนี่ยสวนยางตรงนั้นร้อยกว่าไร่มันเป็นที่องค์การป่าไม้เขาไปเอาเงินที่ญี่ปุ่นมาปลูกแล้วก็บอกเออแบ่งให้กับเกษตรกรดูแลคนละสิบไร่สิบไร่สิบไร่ไพอเวลากีดปุ๊บเนี่ยเขาเอาหกสิบเกษตรกรเอาสี่สบ ตอนนี้ไม่ต้องดูแลเลยนะจ้างคนไปกีดมันให้ห้าสิบห้าสิบแล้วเกษตรกรทิ้งหมดพ่อคู่ก็ซื้อสิทธิ์เขารักษาป่าไว้และถ้าเกิดว่าราคามันดีใครจะไปกีดก็ไปกีดแบ่งกับองค์การป่าไม้เราต้องการป่าทำไมต้องการป่าป่าล้อมเมืงองเพราะเสียงเรามันดังถ้าเกิดให้คนอื่นอยู่มาด้วยเนี่ยเราจะสร้างกรรมไปรบกวนหูเขา เระดือนที่แปลงนี้ตรงนี้ก็ข้ามก็เป็นเขิ่อนสิลินทรเนีห็นไหมแต่รอบข้างนี้เป็นป่าล้อมอาไว้เห็นไหมเอาเป็นว่าเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนและไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนมันเป็นการกระทําชอบเป็นเป็นมรเห็นไหมเราทําสิ่งดีเนี่ยเราเจริญมรคจิตเพื่อทําลายกรอบที่เราถูกใส่มาอันนี้พ่อกูก็ มองให้ทุกคนว่าเราเปปัญหาอะไรปัญหาเราเกิดจากอะไรเริ่มจากกรอบที่เราสร้างขึ้นมาในชาตินี้เริ่มจากเราเกิดมาพุทเป็นเบบีคนที่รักเราที่สุดก็ตั้งชื่อให้เราบัญชาแล้วท่านรักเรามากท่านก็แถมสิ่งที่ท่านบูชามากๆเลยก็ให้ลูกบัญชานับถือาศาสนาพุทธก็แล้วกัน พราพ่อแม่ชอบโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วท่านก็รักเรามากท่านก็ส่งให้เราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตแล้วก็ซี้สัตว์มาแล้วก็ทําตามท่านสุดท้ายตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครเรากลายเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาอยากให้เราเป็นเราไม่เคยเรียนวิชาชีวิตเลยเราไม่เคยมาหลับตาดูตัวเองเลยว่าเราเป็นใคร ลืมตาปุ๊บ ก, ก็เห็นโ น, น่นเห็นโน่นเห็นโน่นเห็นนี่แต่ถหูปุ๊บ ก, ก็ได้ยินว่าเขาด่าเราได้ยินว่าเขาชมเราเราไม่เคยได้ยินตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยมันคิดอะไรอยู่ก็ปล่อยมันคิดฟุ้งซ่านคิดตามกรอบที่คนอื่นเขาให้เราเอาเป็นว่ากรอบหยาบๆยาซึ่งในชาตินี้เนี่ยเราปลูกฝังปุงแต่งมันขึ้นมาล่มลุจากภาษา อันดับแรกคือเรามีชื่อถ้าเราไม่มีชื่อนะเราจะโชคดีมากเลยใครๆก็ด่าเราไม่ได้พอมีชื่อก็มีเรื่องนะพอเขาชมว่าปุ๊บบัญชาเป็นคนดีบัญชาดีใจดีใจพอเขาด่าว่าบัญชาโล่มากเลยบัญชาก็เสียใจเสียใจนี่แหละกรอบแรกๆ แ, แล้วก็ถูกตีก่อนวัฒนธรรมไปเพลนิน เธอทเด็นเก่งๆนะหาเงินเดียวเมื่อรวยแล้วทุกอย่างดีหมดนี่คือกรอบถ้าเราไม่วางกรอบตัวนี้ไม่ใช่ทําลายนะคําว่าทําลายคือว่ามันเป็นกติกาสนานติมโนทาลายไม่ได้แต่ถ้าเราทําลายความยึดมัน่นถือมั่นที่เราหลงกรอบนี้ในส่วนตัวเราเราจะไม่มีวันอิสระอาละ่ะสมมติว่าเรามาเต้นเรามาลัมเรามาแหกปากร้องครายอารมณ์นะ แล้วก็เราบุกจากกรอบมีแต่ยังติดกรอบที่ละเอียดขึ้นคือกรอบของกรรมทุกวันนี้ที่เราทุกไม่ใช่เพราะเราไม่มีนะเพราะเรามีเยอะเกินไปเริ่มจากเรามีกรรมเราถึงได้มาเกิดในร่างนี้แล้วก็ไอ้กรรมเนี่ยก็ทำให้เราถ้าไม่ไม่ระวังน ะ, ะกระแสกรรมันก็เหมือนน้ำไหลลงที่ต่ำมันก็ส่งผลให้เราไปทำอะไรอะไรที่ ที่กรรมมันส่งผลแล้วเราก็มาสร้างการรมใหม่คือมาเพิ่มกิเลสตัณหาอุปทานอันนี้ก็เป็นหวงใหม่เห็นไหมเป็นหวงที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดเรามีอุบายวิธีที่ผู้เจ้าสอนเนี่ยนะแต่มีหลายเทคนิคโดยเฉพาะเทคนิคของเราเนี่ยแก้ที่พฤติกรรมทวนกระแสกิเลสเรา เรายังมีหัวขน อ, อยู่เรามีตำแหน่งแต่เราไม่หลงนั่นแหละถือว่าเราชนะกรบนั้นเพราะเราทำลายกรบสังคมไม่ได้เราทำลายสูงบัญญัติไม่ได้จะเป็นกรรมไหม่เขาจะเกียดเราแต่จิตเราต้องอยู่เหนือสมมติโอเคเราอยู่เหนือสมมติแล้วแต่ยังติดกรบกรรมอยู่ถ้ากรรมไม่หมดมันก็ดึงเราไว้ ถ้าทันคนมาเรื่องทำแล้วเนี่ยโอเคจบแล้วใครทำให้เราทุกข์ก็ไม่ได้อย่างเจ้าชายสิริธาเนี่ยพระองค์ตัดสรนวธรทเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาพระองค์จบแล้วอยู่เหนือบุญบาปแล้วแต่พระองค์ยังสร้างศาสนาขึ้นมาเผยแผ่อีกสี่สิบห้าพรรษาทำพ่อทำและพระองค์ยังโดนเทวทัตเล่นงานกระแสกรรมมันก็ยังอยู่ แต่มันกระทบมันไม่กระเทือนจิตที่มีปัญญาแล้วไม่โง่อที่จะิดทุกข์เห็นไหมถ้ายังไม่ช่วเราแบบ น, นย้และต่อกระแสะกรรมแม่ดิตทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเปสุรกายเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์นะอยู่ในสามโลกธาตุน้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติเงี้ยยังเวียนว่ายตายเกิดธรรมชาติ เขาต้องการให้เราเห็นกระแสะกรรมเก่าทำใหเราต้องสร้างกรรมไหนคือทุกคนมีกรอบตามธรรมชาติคือแม้กระทั่งสุนัขแมวยังมีกรอบตรงนี้คือว่าต้องมีความรู้สึกทางเพศต้องมีเพศสัมพันธ์สร้างเงื่อนไขต่อให้มันเกิดวัตฏะสงสารอีกอันนี้มันเป็น สัญชาตญาณตามธรรมชาติเป็นกรอบอย่างหนึ่งเนื่องจากกระแสกำรังทำให้เราอยู่ในกรอบนี้ถ้าเราไม่ทำลายกรอบนี้เราก็ยัองอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่อันนี้เป็นกรอบที่ละเอียดขึ้นไปอย่าไปพูดถึงไกลขนาดนั้นเอากอบจับยาตรงนี้ก่อนแล้วก็คำสอนพระเจ้าที่ท่านชี้ทางวิธีแก้ให้เราเนี่ย ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายทาจนถึงสุดก็อยู่ในกรอบคำสอนผู้เจ้าอันนี้ไม่ได้ตีกรอบให้เรามีอัตตาเป็นวิธีที่ทาให้เราปดกรอบทั้งหมดก็คือมักมีองแปดหรือสินสมาธิปัญญาหรือทานสินภาวนาทำแค่สามอย่าง อันนี้คือขบวนการสร้างบารมีส่วนหนึ่งแล้วก็ลดทอนกรอบต่างๆลงไปเข้าสู่ถึงความอิสระภาพก็คือสุญญาตาว่างจากอัตตานะให้ทุกคนรู้กว้างๆว่าต้องยอมรับวาตัวเองถูกตีกรอบต้องยอมรับว่าตัวเองมีทุกเป็นประธานบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ทุกอะไรไปทุกอะไรนักหนาะ บอกว่าเวลาเธอปวดพันนี่สุกไหมเวลาปวดท้องนี่สุกไหมถ้าว่าเขามีสตังค์กินยาแก้ปวดปวบอันไม่ฉันก็ไม่รู้สึกสุกฉันเบื่อฉันก็ไปเที่ยวยนะเขาหนีทุกตลอดเขาทุกแต่เขาหนีทุกเขาจึงไม่เห็นธรรมไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมจ้าสายยาถะพระองค์ไม่ได้ทุกแต่พระองค์ก็เห็นทุก ว่าเกิดก็ทุกข์แหกปาก็้องแล้แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายยังทุกข์อีกถ้าไม่เตรียมตัวตายเพราะยังตายไม่ลงมันไม่อยากตายไงยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินทลินทานอยู่ตายก็ทุกข์เห็นไหมถ้าใครไม่เห็นทุกตรงนี้แล้วไม่ยอมรับ ว, ว่ามันเป็นความจริงเราก็ยากที่จะเห็นความจริงตามธรรมาชาติเห็นธรรมนะก็ไป ที่ครูพูดวันนี้เนี่ยฟังหูไวห้หูอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโดนสรุปอย่าเพิ่งตัดสินลองปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยเดี๋ยวจิตมันก็นพิจารณาทำไปเรืย่ยพิจารณาไม่ผ่านความคิดเรียกว่าธรรมะวิจยะสมโพชงมันจะวิจัยธรรมด้วยการปฏิบัติแล้วเขาเห็นอารมณ์เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนต่างๆนานาเดี๋ยวเขาจะ เข้าใจด้วยตัวเขาเองมันเป็นปัจจตังเวทที่ตะโพวินอยู่ฮีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนก็ก่อนจะจบนะทุกคนพิจงงารณาตัวเองนะดูเมืต่ตองร ล, ลึกชาติที่อาจารย์เดชาบอกท่านกระลึกชาติได้ชาติหนึ่งคือชาติชั่วนะระลึกตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปจนที่เราจําความได้ จำควาได้ว่าเราทําอะไรบ้างในขณะที่ทําตอนนั้นน่ะรู้สึกยังไงเบิกบานไหมหรือทำทุกเรื่องก็เครียดทุกเรื่องนะดูตรงนั้นเป็นประสบการณ์แล้วก็ตั้งโจทย์ว่าเอ๊ะแล้วชีวิตเราเนี่ยจำเป็นต้องเป็นแบบนี้นไหมถ้าเราไม่มานั่งดูตัวเองเนี่ยเราจะไม่มีเวลาคิดนอกกรอบที่เราเคยชินเลย ตื่นเช้าขึ้นมาก็ทาเรื่องเก่าเก่าทำเรื่องเก่าเก่าตายแล้วเกิดมาก็ทาเรื่องเก่าแหกปากล่องเหมือนเก่าแล้วก็ก็ส่งเราไปเรียนกอไก่ขอไข่ใหม่ทาเรื่องเก่าแล้วก็ไปสร้างครอบครัวสร้างอะไรเหมือนเก่าเก่าตายแล้วก็มาทำเรื่องเก่าอีกมันน่าสนุกดีนะนั่นหละ ชีวิตนี่แม่ต้อไปมองนั้นเออนาคตบางคนไม่เชื่อบางคนบางคนไม่เชื่ออดีตนะไม่ต้องเอาปัจจุบันแหอะระหว่ า, างที่เรายกเคยมีชาวเยอรมันคนหนึ่งนะมาดักเจอพู้กูที่ศูนย์กรุงเทพเขาบอกเขาเคยมาบวชเมืองไทยพรรษาหนึ่งเขาบอกเขามีเทคนิคของเขาเขามีเทคนิคของเขาภรรยาเขาปฏิบัติเขาไม่ยอมปฏิบัติเขาก็นั่งคุยกับพู้กู พระครูก็เลยบอกยกลุ้สิมีขวดน้ำอยู่เขาก็ยกเขาก็มองหน้า พ, พกก่ครูพรอครูถามาถ้ายกทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยนอนก็ไม่ต้องนอนเนี่ยรู้สึกยังไงเขาบอกมันหนักอยากให้มันเบาทำยังไงวางไม่ต้องมีเทคนิคไปติดอยู่เทคนิคตรงนั้นหละไปเรียนรู้เทคนิค ไหนไงไม่มีเทคนิดไม่ต้องเรียนไม่มต้องฝึกวางเลยถ้าพวกเราไม่วางเราเต้นออกไหมเต้นออกมันติดตัวไอ้ไงติดตัวมารยาทไงเห็นไหมเราวางเลยเราเต้นเลยทําไปทํามาเปุ๊บเนี่ยไอ้กอดนั่นมันก็หายไปเองเห็นไหม เป็นอะไรที่ง่ายง่ายแต่ทุกวันนี้เราไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายมดจะไปหาเทคนิคเทคนิคอย่างนั้นแหละนะตายก่อนนะไม่มีเทคนิควางเลยที่เราทุกทุกวันนี้เนี่ยเพราะจิตเราไม่ว่างที่มันไม่ว่างเพราะมันมีไม่เอกเวียงไม่เอกทิงเดี๋ยวนี้บรรลุเดี๋ยวนี้เวียงพรุ่งนี้บรรลุพรุ่งนี้วางแล้วมันก็ว่าง มันยากไหมไม่ ย, มยากเขาบอกกูวางยากยากพระครูวังได้พระคระคูวังไม่ยากแต่คุณอะวางยากบอกยากทําไมตำรวจจับไหมขอวีซ่าหรือเปล่าต้องขออนุญาตใครมันยากเพราะมันง่ายไม่มีอะไรง่ายกว่านี้อีกแล้วที่เขาบอกว่าเส้นผมบังภูเขานั่นแหละธรรมะคือธรรมชาติ คือธรรมดาธรรมดามันไม่ได้วุ่นวายสับสนอะไรแต่อย่ไปคิดให้มันวุ่นวายสับสนเองนะแล้วอย่าไปหาความคิดมาแก้ความคิดนะก็เข้าล็อกความคิดแล้วนะเขาก็หลอกให้เราคิดอีกก็เปล่าความคิดมันเป็นปัญหาไงเด็จะไปหาความคิดบวกมาแก้ปัญหาอีกเหรอก็แค่ไม่ต้องคิดไงเกิปัญหาก็หมดไปแล้วนะมันเป็นอะไรที่ง่ายๆจะไปหาเรื่องยากเองเนาะเพราะเรามีกอบ อยากชนะอยากจัด ก, การไอ้ตัวอยากละ่ะผู้เจ้าบอกทุกสมุทยัยมีโลภมรตัวสมุทัยคือตัวตันหาคือตัวอยากนี่คือที่มาของทุกนะเอาเปนว่าพวกเราขึ้นชื่อว่าเปนคนที่มีบุญสังเกตนะใครทำบุญเมื่อไรเนี่ยถ้าเราทำบุญแบบวับนไหนที่บริสุทธิ์มากใส่เข้าไปเลยเนี่ยนะสิ่งมหัจจั์จะเกิดขึ้น ตอนี้เรามีบารมีอยู่แล้วลูกปมมันลอยเห็นไหมแต่มันติดบ่วงไอ้รูกโกรดหลงยัยยัยยเนี่ยพอเราทําบปุ๊บเหมือเราตัดเส้นเหลวมาเนี่ยถอนเลือดออกมาเนี่ยลุกผ่มก็ลอยแล้วปฏิบัติทําปุ๊บมันจะก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นนึงอีกขั้นหนึ่งล้วตัดบ่วงไม่ใช่เพิ่มบารมีอย่างเดียวนะมีบารมีแต่บ่วงมันมีมันก็ดึงเอาไว้เนี่ยมันลอยไม่ได้นะชักทะยอ การให้อภัยาา ท, ทานเหมือนกันการทําทานเหมือนกันเนี่ยเป็นการสลัดออกที่เรามีความพยาบาทความแค้นเนี่ยมันก็เป็นห่วงดึงจิตเราไว้เห็นัหมเมื่อเราอภัยทานเมื่อโยนภูเขาออกจาก อ, อกเราตัดบ่วงไปมันก็ลอยบางทีบา ร, รมีไม่ต้องสร้างด้วยนะบางคนสร้างๆๆ้าาาบา ร, รมีอยู่เหมือนทําดีแต่ไม่ละชั่วมันจะไปไหน ความชั่วร้ายออกเด้วยบารมีก็สร้างๆคือสองประสานมันก็เร็วขึ้นเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่คุณบอกว่าตัดตั ด, ตดบารมีไม่ต้องทํำไม่ต้องสร้างบารมีก็ได้นะตัดตัดไอตัวเดินเอาไว้ถ้าคุณไม่บารมีเปนบารมีคุณจะเอากําลังที่ไหนไปตัดคุณก็ถูกกออยบนั่นแหละคุณชูก้กอบไม่ได้เอาเป็นว่าทําคู่กันไปทําคู่กันไปแนวที่เราทําเนี่ยส่วนหนึ่งวัดกระแสกรรม ส่วนหนึ่งเพิ่มบารมีถ้าเมื่อไหร่เนี่ยบารมีมันมากกว่ามันตัดกรรมแต่คำว่าตัดกรรมไม่ใช่กรรมมันหมดนะแต่กรรมนั้นมันเกิดขึ้นมันทำให้เราทุกข์ไม่ได้จนกว่าวันไหนเราละสังขารนี้ไปแล้วไม่ต้องมาเยียนไหยตายเกิดในสามโลกธาตุนี้แล้วเนี่ยกระแสกรรมมันก็ไล่บี้เราไม่ได้เหมือนองคุลิมานชาติสุดท้ายฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสบเก้าทไมบรรลุทําได้บางคนไม่กล้าคิด ฉันไม่กล้าปฏิบัติหรอกชาตินี้ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทำบุญเลยไปคิดดีๆนะคิดผิดคิดใหม่ได้นะว่าเอ๊ะเราเผลอไปทำความชั่วเท่ากับองคุลีมานไหยถ้าไม่ทุกคนมีสิทธิ์เรามีตำรวจข้าราชการผู้ใหญ่มาปฏิบัติหรอกขอคุยกับพ่อกูพ่อกูก็คุยเรื่ององคุลิมาให้ฟังเขาบอกเอออย่างนี้ก็มีกำลังใจหน่อย ก็อาจจะเผลอโดยทําอะไรหนินะโดยเฉพาะเราเป็นมือปากนีแน่นอนมันต้องมีเผลอบ้างมันไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดไหนนอกจากไปทําร้ายไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระพุทธเจ้าตอนนั้นหมดสิทธิ์ถ้าเราไม่ทําขนาดนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์นะองคุลีมาเนกฆ่ามาเก้าร้อยเก้าสิบเก้ายังมันยู้ทาในชาติสุดท้ายได้ นะพวกเราก็ค ง, คงไม่เผลอไปทำอะไรเลวร้ายกว่านั้นโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคุจักรวานพร้อมทั้งบุญบารมีที่ได้ร่วมกันพุทธปฏิบัตินาในขุมของทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุนั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอน